รบว่าวั น, นวันกันเนี่ยวันที่27วั น, วนที่27ตุลาองคาราอาคารตึกให้จะโรงพยาบาลสูงต้นก็ตึกใจอยู่นะ220เตียง ตัวติดขนาดนี้จ ะ, จะช้วยหน้าที่มันยสาหลานเด็กขนาดรยาวาลป่อทขนาดแผแลเขาไปกรางลามหาบท่านก็จะรับเป็นเจ้าภาพทั้งคดองตาหรรลวงนะ้นจะสร้าง น, านี้นะแปนยสุภาหลานคือชันบุจะเป็น คนคนในทิศภาควันตะกก็โรงพยาาลอดอนเป็นโรงพยาบาลสูตรองรับอุดอนรนองคายคนครปนมชนคนครบางหัางูแกแะจะเตยบางส่นที่จะเข้ามามาใช้บริการโรงพยาบาลสูอุดอนและก็ร้อม ก, กันก็โรงพยาบาลสูตุดอน สีนครินเขาผลิตแพทย์ปีหนึ่งปนะีสองปีสามพอถึงปีสนีะ่ออกมาปฏิบัติการเขาจะส่งไปตามโรงพยาบาลสูงสูนคนแก่สูนบุตรสูบนบุญสูนผูรักโรงพยาบาลสูงจะต้องมีโรงเรียนสำหรับมั น, นก็คงจะมีส่วน เป็นหูเป็นตาช่วยกันคิดช่วยกันท า, านหา่าดปงว่าเหมกันตนนนเกิดสด็กบรมพี่น้องสัดุงเขาไปชว่ ว, วกันคิไม่ใช่ผู้ น, อออ น, น้อง o ู้ใดเหตุหลงพ a ศ์นีน เ, นเส่อ่ยดนะฮ่องียด้วยว่าไม่ทรทำไไร ช่วยกันคิดด้นกันช่วยกันถอยช่วยกันทำช่วยกันคิดใหช่วยกันแบน่งเบาถ้ามีความความเพียงสมัครชีก็แล้วทุกสิ่งทุกอย่างถึงขนก็กลายเป็นเบาได้แต่ถ้าว่าถ้าแต่สมัครชีกันถึงจะเป็นนาำเบาก็ยิ่ ง, ง, ง, ง, ง, งยุงเหยิงยุวาไม่ใช่น้อยมือนกันเพราะว่าความคิดของ ขู่คนแปล ก, กต่างกันเหมือนกันแต่ต้งพอว่าลงตาท่านมีเมตตาท่านฟ้อที่จะเป็นหลัเป็นรมผูรมใส สังเกตุในหลายยุคหลายหลายภูม้ทำแต่พระพุทธยาขูดจัดทารบุปผาพระพุทธเจ้าดจแบปริญญาผามขนาดสงทั้งหลายที่เป็นศิษย์ญาติศิษย์กบมีความคิดเห็นแตก ต, ต่างกันในโดยมากก็ผูมิเิเอขันแต่ในบุญมัทรมบมีก็มีความคิดเปอีกแบบหนึง่ง ก, ก, กันอมาพูกัน ข o งพวกเราทำทำลายที่เห็นเห็นก็เหมือนกันเพราะกูบายนัทำผแสดงความคิดเห็นไม่ได้พวกูกศิลูกหาขนาดแข่งแยงกันวางส่วนอีกเหมือนกันเพราะดนสิ่งเหล่านี้ที่พวกเราทำแต่ไว้ได้ยินไดฟังให้จิตใจเป็นธรรมหพอว่าให้ใจเป็นทํามันไม่นานตัไง่ถึงร้อยปีไม่รู้จะถึงวั น, น, น ไปเเพราะนั้นเราจะไปกระเสือกกระสนบน่อยๆไปหาอะไรมากมายหลายลับขนาดไนพอดีสำหรับเราเป็นพระเ น, น, น, น, นี่ปนะินฑบาตมาชนอย่างวันหนึ่งเพียงพอแล้วเอาขนาดอะไอีกับยศกันเป็นพระขาพนะในานะผูร้รับคระองค ถ้ัทธาญาติโยมทุกทา น, นกคนครับเอาไว้ดทํ า, าดดถ้ารู้จักเพียงพอเราก็จะไม่ทุกข์แต่เราก็ไม่เน่นอนใจบอกมือหอเท่าไม่ใช่พอที่เราจะส่งช่วยมาได้เอาก็สง่งช่วยมาลาภทุกัน ส่วนสุขนั้นเมื่อได้สมหวังนั่ปรารนาความว่ามีความสุขแต่ของพ่ว่าความสุขันเป็นความสุขที่จงความสุขที่แทจนันคือเร า, สสร า, า เ, เราพยายามอดิอเลต อ, อ จ, จิตใจมากน้อยได้เท่าไรมาแล้วความสุขก็จะมีขึ้นกับัวของเราเองเหมือนกับ เราเดินเรือในกลางมาสมุทรอางนั้นมันเต็มไปด้วยกิเลสเหมือนกับเต็มไปด้วยของทัพอสัมภาระเรือของเราก็เต็มแอ a ์เมือนจะปิ่มปิ่มล้างลอดแต่เราพยยามขนของทิ้งไรคุณค่าไรประโยชน์ที่ไม่มีประโยชน์โคดทิด้งทิ้งสายขนทิ้งทิ้งออกทิ้งออกทิ้งนะออกจะรบกวนทิ้งออกจกเรือเรือก็จะเบาขึ้ น, น, นลอย บินแบบสบายมีความสุขนี่คงเหมือนกันแต่ว่าพวกเราหาความสุขภายนอกมีแต่คนเข้ามาใส่ตัวเองจึงจะว่าสุขก็สุขเถิมันสุขแบบของจิตจะแตกสลายของที่จะความทุกข์เามาแทนที่ถ้าเราถอนจิเลจออกจากจิตใจจิตใจของเราเบาบางรู้จิตใจธรรมธาตุสมุหานั่นแหละ เยวดูดผลในสุขวัาตถัยไปเที่ยูเทีฝทีคนจบจบไปไม่มีใครเที่ยวดนานท่านานได้เพราะนั้นสิ่งเหนนาต้องคิดเป็นประวัติศาสตรเข้ามาเปียบเทียบกัตัวของเราเขาจะเป็นยังไงเขาจะยู่ใสถานะไหนถึงยังไงไม่มืเ ส, สียงตรงัเราก็เป็นห่ธธ้ไปเพราะาาทำใจให้สมบทำใจให้เป็นหนึ่งทำใจให้หลดพ้น ส่งใจให้ไปมีกิเลสราคะโทสะหมดนั้นหยอดเดี่ยวที่สุดแต่ผมมันความสุขมันไม่ใช่ดูที่ไหนดูทีใจถ้ามาส่งเสริมใจตัวเองให้ดึกเนื้อลืมตัว แ, แต่เสิมกระสมรุนแรงมันหาความสุขไม่ได้นะคนทำ o องบองมันก็มีความสุขนะแต่สวนดึกในกจิตใจแล้วมันหาความสุขไม่ได้นะมันทุกข์มันทุกกมอมทุกข์ก้อนหนใจมทุกกแนะ จ, นะจะมี สักรับจุดชเสินสูงสูงขนาดไหนก็ตามมันไม่ปล่อยวางลักษณะอมทุกอจิตใจอมทุกกนมันก็ไฟทิมแอมโอมไปชีเท่าานแต่มันมีฐานไฟอยู่ข้างในแต่ทีเท่ามันกลบอทาดิบมันรอนลอ่จากนั้น ทุกทางให้ดูจบเลยคือให้ผู ใ, ใจผู้ตนเองนะนะอย่าใมันโอมท ก, กวนกันพยายามปล่อยพยายามวางพยายากันพอหเหตุแ ล, ลจากนั้นก็ไมจบมันมันเราดูในสถานในทดีที่สุด คือทำทำให้เป็นทุกข์ตัวเราถึงจะยึดทำไมถ้ายึดจงมั่นถ้ายึดโลงยึดแล้ว้าขนาดร่างกายตัวเองยังยึดไม่ได้จะไปยึกชิ้นหนนจะไปยึดตายไปึดตัวให้ดียึดตัวแ้ว ก, กันมันจะปล่อยมันจะวางลไม่ไเหมือนกันถ้าป่อยวา ม, มันจะมีความสุขเลิ อ, อีกเหมือนกันมันจะไม่อบทุกมันจะไม่จะกขทุกเมนกัน 低头，叹费气。 กิจกรรมออกหลวงพ่อที่ได้ผ่านมาสองสาวันที่ไม่ได้อยู่วัดไม่ได้พบคณะสัตยายาติอยน่ก่อย่างที่รุวงพ่อได้กตาวไปถึงแต่วันที่24กับวันที่ยี่สบหตอนเย็นหัู่ว่าตอนในไปหลับพรหลวงพ่อธนาให้พร